ข้อที่3ความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัดเห็นเวลาเสด็จเยี่ยมราษดรไหมครับทรงโน้มพระวรากายหาประชาชนในขณะที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเราเดินกาเหมือนภาพที่เห็นคนใหญ่คนโตระดับเจ้ากระทรวงเดินผูกผ้าเขามา้าเดินตรวจราชการลอยไปลอยมา เฉียดหัวชาวบ้านพระองค์ทรงน้อมพระวรกายไปหาประชาชนคุกเข่าหน้าประชาชนถามทุกสุขปรึกษาหาหรือกับเขาเป็นชั่วโมงชัง่วโมงบางทีประทับพับเพียบประชาชนนั่งพับเพียบพระองค์ท่านก็สุดพระวรกายนั่งพับเพียบเสมอบนพื้นเดียวกันแต่พวกเราเป็นใครเป็นข้าราชการพวกเราเป็นใคร ทำไมทำยากเย็นนักอย่างนั้นเหรอผมเห็นน้อยครั้งเหลือเกินที่จะมีผ้าประทับตาอย่างนั้นเกิดขึ้นทำเดอครับ Th ความน่ารักน่าบูชาน่าเคารพไม่เสื่อมเสียเกียรติอะไรทั้งสิ้นและยิ่งอยู่สูงเท่าไรก็ยิ่งต้องลงต่ำมากเท่านั้นสุภาษิตไทยเขาบอกแล้วเหมือนรวงข้าวที่เต็มไปด้วยมเมล็ดข้าวนั้นจะต้องโน้มลงสู่แผ่นดินฉันใด คนก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีแต่พวกบ้ายตศบ้ายอย่างเท่านั้นที่เกิดในชีวิตไม่เคยเลยไม่เคยรู้เลยว่าเกียรติยศคืออะไรตาแหน่งคืออะไรพอได้มาก็กาไม่บอกว่าเป็นใครมีตัวอย่างเยอะในสังคมของเราพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคนไม่เคยไม่เคยพอเป็นแล้วต้องแสดงจิตจิตไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นมนุษย์ที่มีปัญญา เรียบง่ายเวลาทรงงานต่างๆนั้นทรงประทับกับพื้นประทับพับเพียบวิถีชีวิตไทยที่สอนเรื่องความเรียบง่ายพระองค์ท่านประสูติการต่างประเทศนะครับโตต่างประเทศศึกษาต่างประเทศแต่เหตุชไหนเสด็จกลับมาพระองค์ท่านเป็นไทยที่สุดวิถีชีวิตของไทยที่มีค่าที่เราละทิ้งและดูถูกด้วยซ้าไป ไปมุ่งตามคนฝรั่ง globalization หรือโลกาพิวัตตามก้นฝรั่งไม่ใช่สาคนลอะไรแต่พระองค์ท่านทรงประทับพับเพียบได้เป็นห้าชั่วโมงหชั่วโมงไม่เปลี่ยนท่าเลยพวกเราเนี่ยเผลอปั๊บกลับท่ากลับทีพอนานๆ 3-4 ชั่วโมงก็ค่อยๆพังภาพค่อยๆ ย, ยืดขาเท้าแขนไปข้างหลังแล้วก็เท้าแขนไปเรื่อยๆ ตอนแรกก็นั่งพับเพียบพับเพียบเฝ้าพอสี่ถึงหชั่วโมงพังภาพเฝ้าถ้าขืนต่อสักสองชั่วโมงหลมตึงนอนเฝ้าตรงนั้นแน่แต่พระองค์ท่านประทับนั่งความมีวินัยควบคุมพระวรากายทั้งหมดความเรียบง่ายพระองค์กองเอกสารบนพื้นพวกเราก็นั่งล้อมวงเฝ้ากันไม่ต้องเข้าห้องประชุมไม่ต้องมีโต๊ะเก้าอี้ ประหยัดนั่นเองฉลองพระองค์เป็นสิ1 0ิปีก็อย่างนั้นฉลองพระบาทผ้าใบตลอด59ปีไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยมีใครเคยสังเกตรหรือเปล่าไม่เคยสังเกตพวกเราเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสจะไม่เคยมองจะมีรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งผมไม่อยากบอกว่ายี่ห้ออะไรส่งมาห9ปีแล้ว ไอ้พวกเราเนี่ยยี่ห้ออะไรต่อยี่ห้ออะไรยัดไอโนนยัดไอหนีหน่เดินแด้งดึงดังแล้วก็ตามเสด็จไม่ทันหรอกพระองค์ท่านไม่กี่ร้อยบาทก็ฉิวไปแล้วพวกเด้งดึงดังยังเด้งดุกด๊กดิก๊กดุ๊กดิ๊กอยู่พราวนาฬิกาเพชรพราวใส่แหวนใส่อะไรมันก็หนักสิเดินไม่ไหวหรอกมันไม่ใช่ธรรมชาติ ดูพระองค์ท่านมีอะไรผมเหลือบเห็นนาฬิกาของพระองค์ท่านพระองค์เรียกของพระองค์เองว่ายี่ห้อใส่แล้วโก้ท่านบอกนาฬิกาฉันยี่ห้อใส่แล้วโก้ไม่กี่ร้อยบาทนะครับในขณะที่พวกเราต้องจอเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ทำอย่างนั้นแสดงว่าในตัวไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องการเฟอร์นิเจอร์มาประดับ เพราะไส้ในไม่มีอะไรเลยคนที่เขามีอะไรแล้วเขาไม่สนใจพวกอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้จําหลักไว้อันหนึ่งโงเ่เฮงมันฟ้องคนที่พอกอะไรไว้แสดงว่าในตัวไม่มีอะไรเลยเปลือกจะเข้ากับกรณีใครก็ไม่รู้ดูกันเอาเองแต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่สนใจอะไรมันไร้สาระ เพราะฉะนั้นประหยัดอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะยึดถือทำได้ครับทำได้ทันทีและผู้คนจะเครารพบูชาข้อที่สมุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก จะทำอะไรนี่ขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้ไหมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งพอมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนั่นคือประโยชน์ของแผ่นดินถามว่าเราไม่ได้รับประโยชน์หรือเราก็อยู่ในแผ่นดินนี้ถ้าเราถนอมแผ่นดินนี้ให้คงอยู่อย่างเจริญงอกงามให้อยู่อย่างยั่งยืนแล้วเราก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเราต้องเห็นแก่ตัวในลักษณะที่ถูกต้อง สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความฉลาดไม่ต้องมากเลยนะครับแทนที่จะทิ้งขยะลงไปในพื้นสักนิดหนึ่งให้รู้เลยนะครับถึงแม้ไม่ใช่หน้าบ้านเราแต่กำลังโยนใส่หน้าตัวเองเพราะเราอยู่ในแผ่นดินนี้ผลสุดท้ายขยะก็วนกลับมาอยู่ที่เราอีกจะใช้อะไรจะขยับอะไรสักนิดให้รู้ว่าจะสะท้อนกลับมาที่เรา อย่าเพียงแต่ปัดให้พ้นหน้าบ้านมันจะไปที่ไหนบ้านนี้ไปบ้านโน้นไม่มีวันจบโลกเราหมุนไปเรื่อยผลสุดท้ายก็กลับมาอยู่หน้าบ้านเราใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนรวมต้องทำพระองค์ท่านได้ดำเนินการตลอดชีวิตของพระองค์59ปีของการทรงงานอยู่นั้นทรงยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยตลอด ไม่เคยนึกถึงพระวรกายแม้แต่น้อยไม่เคยนึกถึงประโยชน์ของพระองค์แม้แต่น้อยเคยเข้าไปขอพรขอพระราชทานพรบอกวันนี้วันเกิดพระพุทธเจ้าคะ่ะขอพระราชทานพรพระราชทานว่าอย่างไรขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาได้ขอให้มีความสุขจากการทำงาน และขอให้ได้รับความสุขจากผลสำเร็จของงานนั้นไม่มีเลยของส่วนตัวแข็งแรงก็ไม่ใช่ส่วนตัวแข็งแรงเพื่อไปรับใช้คนอื่นเขาความสุขก็ไม่ใช่ความสุขที่จะไปเต้นดิสโก้ที่ไหนความสุขคือการทำงานทำงานให้คนอื่นเขาและความสุขที่เกิดขึ้นมามันสำเร็จและเรามีความสุขเห็นไหม ทั้งสามประโยคเนี้แม้กระทั่งตั้งแต่ร่างกายจนกระทั่งการกระทําของเราไปเพื่อคนอื่นผลที่สุดสิ่งที่เราได้รับนั้นก็คือความสุขแต่พวกเราไม่นิยมหรอกความสุขไม่ตื่นเต้นสนุกดีกว่าคิดดูให้ดีนะครับความแตกต่างระหว่างความสนุกกับความสุขนั้นแตกต่างกันมากเลย ความสุขนั้นอาจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานซึ่งอาจจะไม่ต้องการอะไรสักอย่างเลยก็ได้อย่างผมกลับบ้านที่เพชรบุรีผมก็นั่งเปลยวนของผมนั่งดูกระรอกวิ่งผมก็มีความสุขแล้วความสนุกคุณต้องไปซื้อมันก็ชั่วแรแลนเท่านั้นแหละเหมือนสุภาษิตไทยเขาบอกรักสนุกทุกถนัดตามด้วยความทุกอยู่ตลอดเวลาไปเที่ยวดิสโก้เดี๋ยวก็มีคนมาตบหัวเราแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปนึกถึงใครหรอกเกิดเรื่องถูกแทงถูกตีหัวอะไรสนุกแต่ความสุขเนี่ยไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับใครใดๆทั้งสิ้นเป็นของเราจิตของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธศาสดา ข, ของเราสอนในเรื่องที่สูงมากแต่เราไม่ยอมทําตามไม่ต้องตะ ก, กายกระไดที่ไหนเลยอยู่ที่จิตของเรากําหนดนะครับ